สรุปนิสักียะวะัตถุของที่เป็นนิสักียาหรือนิสักีในสาสิบสิกขาบทนี้ควรจะจัดเข้าได้เป็นสามหมวดหมวดที่หนึ่งเป็นนิสักีโดยวัตถุหมวดที่สองเป็นนิสักีโดยอาการของภิกษุหมวดที่สามเป็นนิสักีโดยล่วงเวลา หมวดที่หนึ่งเป็นนิสกีโดยวัตถุทองเงินของเป็นกัปปิยะคือของที่ควรแก่ภิกษุที่แลกเปลี่ยนด้วยรูปียะคือเงินตราสันถัดที่หลอเจอด้วยไหมสันทัดที่หลอด้วยคนเจียมดำล้วนสันถัดที่หล่อใช้ขนเจียมดำเกินส่วน หมวดที่สองเป็นนิสสคีโดยอาการของภิกษุโดยกิริยาที่ได้มาจีวรที่ได้รับมาจากมือนางภิกษุณีผู้มีชยัยญาตจีวรที่ขอต่อเขาฤหัตผู้มีชยัยญาตมีช่ยปวารณาจีวรที่ขอเกินกำหนดในเมื่อมีสมัยที่จะขอได้ จีวรที่สั่งให้เขา้าใจดีขึ้นไปกว่าที่เขากำหนดไว้มีสองชนิดจีวรที่ได้มาด้วยทวงเกินกำหนดของที่แลกเปลี่ยนกับครหัสได้มาบาทที่ขอเขาในการยังไม่ควรจีวรที่ให้แกภิกษุอื่นแล้วจริงเอาคืนมาได้ที่ขอเขามาทอจีวร จีวรที่สั่งให้ช่างหูกทอดีกว่าเจ้าของกำหนดไว้ลาบสงที่น้อมมาเพื่อตนโดยกิริยาที่ทำจีวรที่ใช้ภิกษุณีผู้มีชยญาตให้ซักก็ดีให้ย้อมก็ดีให้ทุบก็ดี สันทัดที่รลอใหม่ในเมื่อใช้สันทัดเก่ายังไม่ถึงหกปีสันทัดที่รลอใหม่ไม่เอาสันทัดเก่าปนโดยกิริยาทรามให้ล้ำกาหนดขนเจียมที่ถือมาเองเกินสามโยนผ้าอาบน้ำฝนที่หาได้หรือทำนุ่งล้ำวันกาหนด หมวดที่สามเป็นนิสสกีโดยล่วงเวลาไตรจีวอนอยู่ปราดเกินราตรีหนึ่งอธิเรกจีวอนล่วงสิบวันอธิเรกบาทล่วงสิบวันอาการลจีวอนที่ได้อนุญาตเกินเดือนหนึ่งอเจกะจีวอนล่วงจีวอนการ จีว อ, อยูุปราดเกินหกคืนในคราวได้อนุญาตพิเศษเภศัตลุงเจ็ดวันของเป็นนิสสกีนอกจากทองเงินและของเป็นกัปปิยะแลกเปลี่ยนดิรูปียะและบาทที่ขอได้มาใหม่ในการไม่ควรท่านกล่าวว่าสละแกสงก็ได้แก่คณะก็ได้ แก่บุคคลก็ได้แต่สามอย่างนั้นให้สละในสงฆ์ใกล้ครวนดูของที่อนุญาตให้สละแก่บุคคลได้ใครเหลือจะสละแก่สงฆ์แก่คณะให้ลำบากขึ้นไปกว่าคำที่ว่าไว้นั้นดูไม่มีประโยชน์ถ้าคำนั้นเป็นถ้อยคำที่ไม่ปราจากประโยชน์น่าจะมีกำหนดว่าของเช่นไร ควรสละแก่สงของเช่นไรควรสละแก่บุคคลคณะไม่ต้องพูดถึงเพราะในวัดไม่มีภิกษุกรบองค์เป็นสงมีเพียงสามรูปสองรูปเรียกว่าคณะจะสละแก่สง์ไม่ได้ก็ต้องสละแก่คณะอันหนึ่งของที่สละแล้วนั้นท่านกล่าวไว้เป็นธรรมเนียมที่สงก็ดี คณะก็ดีบุคคลก็ดีผู้รับสละจะพึงคืนให้แก่เจ้าของเดิมเว้นไว้แต่เสียสละของสามอย่างที่ระบุไว้ข้างตน้นและของที่ได้คืนมานั้นสิ่งไรใช้ได้อีกสิ่งไรใช้ไม่ได้ท่านไม่กล่าวไว้ให้ชัดเว้นไว้แต่ของบางสิ่งเช่นเพศัตว์ล่วงเจ็ดวันแต่มีแง่อยู่อย่างหนึ่งว่า ในที่บางแห่งท่านกล่าวว่าไม่สละจีวรเป็นนิสกีใช้สอยต้องอาบัด ท, ทุกกฎในที่บางแห่งท่านหากล่าวไม่ในที่อันกล่าวไว้ของที่ได้คืนมาแล้วใช้ได้อีกระมังตามธรรมเนียมที่พวกพิกษุเคยใช้กันมาจีวร อ, อยู่ปราดลวงราตรีหนึ่งอธิเรกจีวรและอธิเรกบาด ล่วงสิบวันเสียสละแล้วได้มาใช้ได้อีกแต่ตรจีวรต้องอธิษฐานใหม่อธิเรกจีวรและอธิเรกบาทก็นับวันไปใหม่ข้าพเจ้าเข้าใจว่าของที่เป็นนิสาคีโดยวัตถุหมดที่หนึ่งยอมไม่ควรใน่วนเดียวไม่น่าจะเป็นของจะพึงคืนให้อีกเพราะได้มาแล้วก็ใช้สอยไม่ได้ การให้คืนดูหาประโยชน์มิได้ของเป็นนิสสคีโดยล่วงการหมวดที่สาไม่ได้เป็นอากขปิยะคือของไม่ควรแก่ภิกษุโดยชาติและโดยอาการที่ได้มาเป็นแต่ล่วงวันกำหนดพระพุทธานุญาตเท่านั้นของเช่นนี้เสียสลาดแล้วน่าจะให้คืน และเป็นของที่ควรจะบริโภคได้อีกเว้นไว้แต่เภสัชมีชัดอยู่แล้วว่าให้ใช้ในกิจอื่นนอกจากลืนกินของเป็นนิสขีโดยอาการของภิกษุหมวดที่สองโดยกิริยาเป็นเหตุได้มาไม่น่าจะเป็นของใช้ได้อีกโดยกิริยาที่ทำ และโดยกิริยาที่ให้ล่วงกำหนดพระพุท ธ, ธานุญาตน่าจะเป็นของใช้ได้อีกเว้นไว้แต่ผ้าวสิกาสาดกคือผ้าอาบน้ำฝนที่ขอในสำนักคนต้องห้ามจะควรเสียสละให้แก่ใครนั้นถ้าจะให้คำในคำพีวิพังมีประโยชน์แล้วก็น่าจะสละแก่สงก่อนในวัดที่มีพระน้อยหาภิกษุกรบองค์เป็นสงไม่ได้ ก็น่าจะสละแก่คณะถ้าหาคณะไม่ได้จึงควรสละแก่บุคคลแต่วิธีนี้ดูเหมือนจะลำบากมากไปสำหรับในบัดนี้เพราะฉะนั้นควรจะดูตามอนุรูปอนุรูปหมายถึงสมควรเหมาะสมพอเพียงเป็นไปตาม ถ้าการต้องอาบัตินั้นเป็นเหตุเช้ากระชอนเป็นที่รังเกยียจของคนมากควรสละในสงฆ์ถ้าไม่มีใครถือเอาเป็นข้อรังเกียจใหญ่โตควรสละแก่บุคคลได้ถ้าเป็นของไม่ควรบริโภคอีกคำเสียสละไม่ควรจะว่าสังคัสสะแก่สงฆ์อายะสมะโตแก่ท่านควรจะว่าเพียง อิมาหังนิสัตชามิข้าพเจ้าสละของนี้เสียเพราะของเป็นอากาปิยะสงก็ดีบุคคลก็ดีจะรับเอาไว้อย่างไรการที่ทำก็เพื่อจะแสดงให้ปรากฏหรือให้เห็นเป็นพยานว่าได้แก่ตัวเพราะข้อนั้นแล้วส่วนของที่เป็นอกปิยะคือของไม่ควรนั้น ก็ควรบอกให้ขารื้อหัดหรือทิ้งเสียอนุลม์ตามอย่างทองเงินต่อของเป็นกัปปิยะคือของที่ควรแก่ภิกษุ ค, ควรจะบริโภคได้อีกจึงคืนให้เจ้าของเดิมของเป็นนิสัคียะแต่ศูนย์หายไปเสียแล้วไม่มีจะเสียสละเป็นแต่พึงแสดงอาบัติเท่านั้น จะพึงแสดงต่อสงฆ์หรือต่อบุคคลพึงเห็นโดยนัยยะอันกล่าวแล้วในบัดนี้สิกขาบทที่ล่อแหลมที่ภิกษุจะล่วงก็มีน้อยอธิบายไว้ยืดยาวดังนี้เพื่อเป็นทางสำหรับผู้ศึกษาอาบัตตั้งแต่นิสัคิยะปาจิตีลงไปจัดเป็นอาบัตเบาเรียกลาหูกาบัต และจะพ้นได้ด้วยวิธีแสดงเรียกเทศนาคามินีทุนลัดใจก็จัดเข้าในหมวดนี้เหมือนกัน